ฉนุดมศึกษาตามลำดับเราก็ต้องฝึกศีลจากน้อยไปหามากก่อนถ้าเรายัางรักษาศีลห้าไม่ได้ก็เอาศีลสีก่อนก็ได้ศีลสีไม่ได้ก็เอาศีลสามก่อนศีลสาไม่ได้เอาศีลสองก่อนศีลสไม่ได้ก็เอาศีลหนึ่งก่อนต้องเริ่มที่ข้อใดข้อหนึ่งก่อนถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะไม่มีวันที่จะทำได้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 ทำเท่าที่เราทาได้แล้วเพิ่มขึ้นไปตามลาดับต่อไปเราก็จะรักษาศี่ห้าได้ทุกวันถ้าเราเห็นโทษของการทำบาว่าตายไปแล้วไม่สู์บาปยังต้องเอาไปใช้ต่อยังต้องไปเกิดในอบายมันก็จะทำให้เราเกิดฮีรีโอตปะขึ้นมาความอายความกลัวบาปอายเพราะว่าทำบาปนี้ไม่มีใครเขาชุดเขาไม่มีใครเขา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 ระโสยะธาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขิทีขายุโกภะอภิวาทนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมาวัฏานติอายุวันโอสุขัง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 ก็ถ้ายังวางเฉยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วทำให้เราวุ่นวายใจทุกข์ใจเราก็ต้องปีกวิเวกไปก่อนปีกตัวไปก่อนนอกจากว่าถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลเขาเราก็ต้องทนแต่ถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่เราก็ปีกตัวเราออกไปอยู่ห่างๆเขาก็ได้ช่วยแบบห่างๆก็ได้ช่วยแบบส่งเงินส่งทองไปให้เขาใช้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 รู้สึกตัวก็ตั้งตัวตรงและก็จะเห็นแสงสว่างเพียงแป๊บเดียวเพราะรู้สึกตัวหลังจากนั้นคิดพุดโทโธใหม่อาการนี้เรียกว่าคณิคาิสาสมาธิใช่ไหมคะคณิกะไม่ใช่แล้วอาการหลับหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานั่งใหม่สับประงกอาการสับประงกควรจะลุกไปเดินจงกรมให้มีสติอย่างต่อเนื่องให้มีสติกำลังพอที่นั่งแล้วตัวนิ่งไม่สับประงกก่อน